ข้อควรทำความเข้าใจและอธิบายเพิ่มเติมข้อที่สวิเคราะห์ความหมายของไตรลักษ์พึงสังเกตว่าหลักขันหหรือเบญจขันในบทที่1ก็ดีหลักอายตนะหกหรือสลายาตนะในบทที่2ก็ดีแสดงเนื้อหาของชีวิตเน้นการศึกษาพิจารณาเกี่ยวกับชีวิต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 และอายตนะภายนอกเป็นการมองทั้งชีวิตและสิ่งทั้งปวงที่ชีวิตเกี่ยวข้องคือว่าด้วยชีวิตและโลกและสภาวะทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิน้นเบื้องแรกขอทบทวนย้ำว่าให้ตั้งมั่นอยู่ในความหมายหลักของไตร ล, ลักษณ์ซึ่งง่ายๆสั้นๆดังนี้ 1. สังขารทั้งปวง สังคต ธ, ธรรมทั้งปวงรวมหมดขันทั้งห้าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงคือมีแล้วไม่มีมีขึ้นแล้วดับหายเกิดขึ้นแล้วก็สลายบาลีว่าอุตตวาอภาวโต 2. ส, สังขารทั้งปวงคือสังคต ธ, ธรรมทั้งปวงรวมหมดขันทั้งห้า เป็นทุกขาคงทนอยู่ไม่ได้คือถูกบีบขั้นด้วยการเกิดขึ้นและสลายไปบาลีว่าอุทยพยาปฏิปิรนโต 3. ธรรมะทั้งปวงทั้งสังคตธรรมและอสังคตธรรมหมดทั้งสิน้นเป็นอนัตตาไม่เป็นไม่มีตัวตน คือไม่เป็นไปาในอำนาจของใครไม่เป็นไม่มีตัวตนอะไรครอบครองที่จะสั่งบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาได้ในบาลีว่าอวสสาวัตนาโตเนื่องจากไตรลักนี้เป็นหลักธรรมใหญ่เกี่ยวข้องกับชีวิตและการปฏิบัติธรรมอย่างมากมีกล่าวถึงบ่อยในที่ทั่วไป คำพีทั้งหลายเช่นบรรดาอธกถาจึงอธิบายแยกแยะแจกแจงแตกแงแตกมุมมากไปผู้ศึกษาให้รู้เข้าใจหลักทั่วไปพึงจับความหมายสำคัญสั้นๆที่แสดงข้างบนนี้เป็นหัวใจหรือเป็นแกนไว้ก็นับว่าพอส่วนความหมายที่วิเคราะห์แยกแยะแจกแจงอธิบายไว้มากมายละเอียดเล็กซึ่งลงไปโดยในยะและตามแนวของคมภีต่างๆดังจะพูดต่อไปนี้ ถือได้ ว, ว่าแสดงไว้สำหรับผู้สนใจพิเศษและควรเข้าใจไว้ก่อนด้วยว่าโดยทั่วไปหรือตามปกตินั้นท่านอธิบายไตรลักษณ์โดยมุ่งให้ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติซึ่งโดยทั่วไปอย่างเป็นปุถุชนได้รู้เข้าใจในเรื่องของสังขารคือสังคตธรรมหรือขันห้าแม้แต่ข้ออนัตตาที่ครอบคลุมทั้งสังขารและวิสังขารโดยทั่วไป ท่านก็อธิบายแค่ในความหมายที่บรรดาสังขารเป็นอนัตตาจึงมีความหมายของความเป็นอนัตตาที่ท่านแสดงเพิ่มขึ้นมาซึ่งมุ่งหมายสำหรับความเป็นอนัตตาของสังขารหรือเบญจขันธ์เป็นสำคัญผู้ศึกษาจึงควรเข้าใจตระหนักไว้ไม่พึงสับสนปนเปและพึงมั่นใจไว้ว่าความหมายอันแท้ได้แก่ความที่แสดงไว้สมข้อข้างต้นนั้น เมื่อทำความเข้าใจพื้นฐานกันไว้ดังนี้แล้วก็มาดูคำอธิบายที่ค่อนข้างละเอียดต่อไปวิเคราะห์ความหมายของไตรลักษณ์ข้อที่หนึ่งอนิจจตาและอนิจจลนะักษณะคำพีปฏิสัมพิธามักแสดงอัฏฐะ คือความหมายของอนิจจตาไว้อย่างเดียวว่าชื่อว่าเป็นอนิจจังโดยความหมายว่าเป็นของสิ้นไปสิ้นไปในบาลีว่าขยัตเทนะหมายความว่าเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อใดก็ดับไปที่นั่นเมื่อนั้นเช่นรูปธปรรมในอดีตก็ดับไปในอดีตไม่มาถึงขนาดนี้ รูปในขนาดนี้ก็ดับไปที่นี่ไม่ไปถึงข้างหน้ารูปในอนาคตจะเกิดถัดต่อไปก็จะดับณที่นั้นเองไม่ยืนอยู่ถึงเวลาต่อไปอีกดังนี้เป็นต้นต่อมาในคำพีชั้นอัตกถาท่านต้องการให้ผู้ศึกษาเข้าใจง่ายขึ้นจึงได้ขยายความหมายออกไปโดยในายาต่างๆ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 เมื่อซอยลงไปอีกก็ยิ่งเห็นความเกิดและความดับหรือการเริ่มต้นและการแตกสลายกระชั้นทีเข้ามาเป็นช่วงวัยหนึ่งวัยหนึ่งช่วงระยะเวสิบปีหนึ่งสิบปีหนึ่งช่วงปีหนึ่งปีหนึ่งช่วงฤดูหนึ่งฤดูหนึ่งช่วงเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งจนถึงช่วงยามหนึ่งยามหนึ่งตลอดถึงช่วงเวลาขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวแต่ละครั้งแต่ละหนนจนกระทั่งมองเห็นความเกิดดับ ที่เป็นไปในทุกๆขณะซึ่งเป็นของมองเห็นได้ยากสำหรับคนทั่วไปอย่างไรก็ตามในสมัยปัจจุบันนี้ที่วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้ามากแล้วอนนีิจจตาหรือความไม่เที่ยงโดยเฉพาะในด้านรู ป, ปรธรรมเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นมากจนเกือบจะกลายเป็นของสามัญไปแล้วทิสดีต่างๆ ตั้งแต่ทฤษฎีว่าด้วยการเกิดดับของดาวลงมาจนถึงทฤษฎีว่าด้วยการสลายตัวของปรามนูล้วนใช้ช่วยอธิบายหลักอนิจจตาได้ทั้งสิน้นที่ว่าคำผีชั้นอัตถกถายักเยื้องคำอธิบายออกไปห ล, หลายแง่ขยายความหมายออกไปโดยในยะต่างๆนั้นเช่นบางแห่งท่านอธิบายว่าที่ชื่อว่าเป็นอนิจจัง ก็เพราะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ยังยืนคงทนอยู่ตลอดไปคืออนิจจันติกาตายะและเพราะเป็นสิ่งที่มีความเริ่มต้นและความสิ้นสุดคือมีจุดเริ่มและมีจุดจบคืออธิอัตวันตตายะแต่คำอธิบายอย่างง่ายๆที่ใช้บ่อยก็คือข้อความว่าชื่อว่าเป็นอนิจจัง โดยความหมายว่าเป็นสิ่งที่มีแล้วก็ไม่มีคือมีหรือปรากฏขึ้นแล้วก็หมดหรือหายไปคือหุตตวาอภาวเทนะบางแห่งก็นำข้อความอื่นมาอธิบายเสริมเข้ากับข้อความนี้อีกเช่นว่าชื่อว่าเป็นอนิจจังเพราะเกิดขึ้นเสริมสลายและกลายเป็นอย่างอื่น หรือเพราะมีแล้วก็ไม่มีบาลีว่าอุปปาทวายัญญาทัตตาภาวาอุตตวาอภาวโต ว, วาแต่ที่ท่านถือว่าท่านประมวลความหมายต่างๆมาแสดงไว้โดยครบถ้วนก็คือการแสดงอัฏฐะแห่งอนิจจตาเป็นศีนัยยะหมายความว่า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 3. ตาวากาลิกาโตเพราะเป็นของชั่วคราวอยู่ได้ชั่วขณะชั่วขณะสนิจัปฏิเคปะโตเพราะแย้งต่อความเที่ยงคือสภาวะของมันที่เป็นสิ่งไม่เที่ยงนั้นขัดกันเองอยู่ในตัวกับความเที่ยงหรือโดยสภาวะของมันเองก็ปฏิเสธความเที่ยงอยู่ในตัว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 แสดงให้เห็นว่าใช้ได้สำหรับสังขารทุกอย่างวิเคราะห์ความหมายของไตรลักษณ์ข้อที่สองทุกขตาและทุกขลนะักษณะคำภีปฏิสัมพิทามักแสดงอัถฐะของทุกขตาไว้อย่างเดียวว่า ชื่อว่าเป็นทุก์โดยความหมายว่าเป็นของมีภัยคือพยัจเถนะที่ว่ามีภัยนั้นจะแปลว่าเป็นภัยหรือน่ากลัวก็ได้ทางนี้โดยเหตุผลว่าสังขารทั้งปวงเป็นสภาพที่ผุพังแตกสลายได้จะต้องย่อยยับมาลายสิ้นไปจึงไม่มีความปลอดภัยไม่ให้ความปลอดโปร่งโล่งใจ หรือความเบาใจอย่างเต็มที่แท้จริงหมายความว่าตัวมันเองก็มีภัยที่จะต้องเสื่อมโสมสิ้นสลายไปมันจึงก่อให้เกิดภัยคือความกลัวและความน่ากลัวแก่ใครก็ตามที่เข้าไปยึดถือเกี่ยวข้องส่วนคำพีชั้นอัตถกถาขยายความหมายออกไปโดยในยาต่างๆ คำอธิบายที่ท่านใช้บ่อยมีสองนัยยะคือชื่อว่าทุก์โดยความหมายว่ามีความบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาด้วยความเกิดขึ้นและเสื่อมสลายคืออุ ป, ปาทยาปฏิปิลณะเทนะหรืออุ ป, ปาทวยะปฏิปิลณะตายะทั้งบีบคั้นขัดแยง้งต่อประดาสิ่งที่ประกอบอยู่กับมันและทั้งมันเองก็ถูกสิ่งที่ประกอบอยู่ด้วยนั้น บีบคั้นขัดแยง้งและชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์คือทุกขวัตถุตายะหรือทุกขวัตถุโตคือเป็นที่รองรับของความทุกข์หรือทำให้เกิดทุกข์เช่นก่อให้เกิดความรู้สึกทุกข์พูดให้ง่ายเขาว่าที่เรียกว่าเป็นทุกข์ก็เพราะทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์เป็นต้น หรือที่เรียกว่าบีบคั้นก็เพราะทำให้เกิดความรู้สึกบีบคั้นเป็นต้นความหมายที่ท่านประมวลไว้ครบถ้วนที่สุดมีสี่ในยะเป็นทุกข์ด้วยอัฏฐะสี่อย่างดังนี้ 1. อภินหะสัมปติปีลณ ะ, ะโตเพราะมีความบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา คือถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาด้วยความเกิดขึ้นความเสื่อมโทมและความแตกสลายและบีบคั้นขัดแย้งอยู่ตลอดเวลากับสิ่งที่ประกอบอยู่ด้วยหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วยต่างก็เกิดขึ้นต่างก็โทมไปต่างก็แตกสลาย 2. ทุกขมโตเพราะเป็นสภาพที่ทนได้ยาก คือคงทนอยู่ไม่ไหวหมายความว่าคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้จะต้องเปลี่ยนจะต้องกลายจะต้องหมดสภาพไปเพราะความเกิดขึ้นและความโสมสลายนั้นสทุกขวัตุโตเพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกคือเป็นที่รองรับสภาวะแห่งทุกซึ่งมีความหมายด้วยว่า เมื่อโยงมาถึงคนหรือในแง่ที่คนเกี่ยวข้องก็เป็นที่ก่อให้เกิดทุกข์เช่นทุกขเวทนาหรือความรู้สึกบีบคั้นเป็นต้นอธิกะถาละดีกาอธิบายว่าเป็นที่ตั้งแห่งทุก ข, ขตาทั้งสามและแห่งสังสารทุกข์ความหมายที่สสุขขปฏิเคปะโต เราแย่งต่อความสุขคือโดยสภาวะของมันเองที่ถูกปัจจัยทั้งหลายบีบคั้นขัดแยง้งและคงสภาพอยู่ไม่ได้มันก็ปฏิเสธอรกิจกั้นภาวะราบรื่นคล่องสะดวกอยู่ในตัวเป็นเรื่องที่คนจะต้องดิ้นรนจัดสรรปัจจัยทั้งหลายเอาโดยที่ความสุขที่เป็นตัวสภาวะจริงก็มีแต่เพียงความรู้สึกอธิบายว่า สภาวะที่มีเป็นพื้นได้แก่ทุกคือความบีบคั้นกดดันขัดแยง้งที่เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของสังขารทั้งหลายที่จริงก็เพียงเป็นสภาวะตามปกติธรรมดาของธรรมชาติแต่ในสภาพที่เกี่ยวข้องกับคนก็ก่อให้เกิดความรู้สึกบีบคั้นกดดันขัดแยง้งที่เรียกว่าความรู้สึกทุกหรือทุกขเวทนาด้วย เมื่อใดทุกข์คือความบีบคั้นกดดันนั้นผ่อนคลายไปหรือคนปลอดพ้นจากทุกนั้นก็เรียกว่ามีความสุขหรือรู้สึกสุขยิ่งทําให้เกิดทุกข์คือบีบคั้นกดดันทําให้รู้สึกขาดพร่องกระหายหิวมากเท่าใดในเวลาที่ทําให้ผ่อนหายปลอดพ้นจากทุกขหรือความบีบกดนั้นก็ยิ่งรู้สึกสุขมากขึ้นเท่านั้น เหมือนคนที่ถูกทำให้ร้อนมากเช่นเดินมาในกลางแดดพอเข้ามาในที่ร้อนน้อยลงหรืออุ่นลงก็รู้สึกเย็นยิ่งได้เข้าไปในที่ที่เย็นตามปกติก็จะรู้สึกเย็นสบายมากในทางตรงข้ามถ้าทำให้ได้รับความรู้สึกสุขคือสุขขเวทนาแรงมากพอเกิดความทุกข์ก็จะรู้สึกทุกข์คือทุกขขเวทนารุนแรงมากด้วยเช่นกัน แม้แต่ทุกเพียงเล็กน้อยที่ตามปกติจะไม่รู้สึกทุกข์เขาก็อาจจะรู้สึกทุกข์ได้มากเหมือนคนอยู่ในที่ที่เย็นสบายมากพอออกไปสู่ที่ร้อนก็รู้สึกร้อนมากแม้แต่สภาวะที่คนอื่นๆหรือตัวเขาเองเคยรู้สึกเฉยเฉยเขาก็อาจจะกลับรู้สึกเป็นร้อนไปพูดลึกลงไปอีกให้ตรงความจริงแท้ว่า ที่ว่าเป็นสุขหรือรู้สึกสุขคือสุขเวทนานั้นตามที่แท้จริงก็ไม่ใช่ปลอดภยัยหรือหายทุกแต่เป็นเพียงระดับหนึ่งหรือขีดขั้นหนึ่งของทุกเท่านั้นกล่าวคือความบีบคั้นกดดันขัดแยง้งที่ผ่อนหรือเพิ่มถึงระดับหนึ่งหรือในอัตราหนึ่งเราเรียกว่าเป็นสุขเพราะทำให้เกิดความรู้สึกสุขแต่ถ้าเกินกว่านั้นไป ก็กลายเป็นต้องทนหรือเหลือทนเรียกว่าเป็นทุกข์คือรู้สึกทุกข์เกิดทุกขเวทนาว่าที่แท้จริงก็มีแต่ทุกข์คือแรงบีบคั้นกดดันขัดแย้งเท่านั้นที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเหมือนกับเรื่องความร้อนและความเย็นว่าที่จริงความเย็นไม่มีมีแต่ความรู้สึกเย็น สภาวะที่เป็นพื้นก็คือความร้อนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจนถึงไม่มีความร้อนที่คนเราพูดว่าเย็นสบายนั้นก็เป็นเพียงความรู้สึกซึ่งที่แท้แล้วเป็นความร้อนในระดับหนึ่งเท่านั้นถ้าร้อนน้อยหรือมากเกินกว่าระดับนั้นแล้วก็หารู้สึกสบายไม่โดยในย่านนี้ความสุขหรือพูดให้เต็มว่า ความรู้สึกสุขคือสุขเวทนาก็เป็นทุกข์ทั้งในความหมายว่าเป็นทุกขระดับหนึ่งมีสภาวะเพียงความรู้สึกและในความหมายว่าเป็นสิ่งที่ขึ้นต่อความบีบคั้นกดดันขัดแยง้งจะต้องกลายจะต้องพันแปร ى, จะต้องหมดไปเหมือนกับว่าทุกข์ที่เป็นตัวสภาวะนั้นไม่ยอมให้สุขยืนโยงคงอยู่ได้ตลอดไป นหนในคัมภี์ปฏิสัมพิธามัทที่อ้างถึงข้างต้นว่าท่านแสดงอัฏฐะคือความหมายของทุกข์ซึ่งเป็นข้อที่สองในไตร ล, ลักษณ์ไว้อย่างเดียวว่าเป็นสิ่งมีภัยหรือพยัาเทนะนั้นเมื่อถึงตอนที่อธิบายเรื่องอริยสัจท่านได้แสดงอัฏฐะของทุกข์ซึ่งเป็นข้อที่หนึ่งในอริยสัจว่ามีสี่อย่างคือปิรันธะมีความหมายว่าบีบคัน้น สังคตตถะมีความหมายว่าเป็นสังคตะสันตาปัตถะมีความหมายว่าแผดดผาวิปรินามัถะมีความหมายว่าพันแปรเห็นว่าความหมายสีในยะานี้ใช้กับทุกในไตรลักษ์ได้ด้วยจึงขอนำมาเพิ่มไว้นาทีนี้โดยตัดข้อซ้ำคือข้อที่หนึ่งและข้อที่สี่ คือปีรนนทะและวิปริณามัทธะออกไปคงได้เพิ่มอีกสองข้อคือสังตัตถะโดยความหมายว่าเป็นของปรุงแต่งคือถูกปัจจัยต่างๆรวมกันหรือมาชุมนุมกันปรุงแต่งเอามีสภาพที่ขึ้นต่อปัจจัยไม่เป็นของคงตัวสันตาปัตถะโดยความหมายว่า แผดเผาคือในตัวของมันเองก็มีสภาพที่แผดเผาให้กร่อนโสมย่อยยับสลายไปและทั้งแผดเผาผู้มีกิเลสที่เข้าไปยึดติดถือมั่นมันให้เร่าร้อนกระวนกระวายไปด้วย